อันนี้ในวัตถุประมาสูตรพระสุตตันตบิดกเล่นที่สี่พระพุทธองค์ตรัสแยกแยะอุปกิเลตไว้แจมชัด1ิชนิดแต่ละชนิดนั้นถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นแบบเลยตามเลยเมื่อใดเมื่อนั้นไม่มีทางเป็นสมถะอันสมบูรณ์ได้เยะว่าแต่วิปัสนาเพราะฉะนั้นใครจำชื่อกิเลสเหล่านี้ได้มากแค่ไหนและตั้งใจน้อมไปสารวจจริงจังเพียงใด ก็เท่ากับได้มาดวัดสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาต่อต่อไปแค่นั้น 1. อภิชาวิสมาโลภะความละโมบจ้องจะเอาไม่เลือกว่าควรหรือไม่ควร 2. โทสะความมีใจคิดประทุสร้าย 3. โกธะความโกรธ 4. อุปนาหะความผูกใจโกรธนม่วางหมักขะความลบหลู่คุณท่าน 6. ปลาสะความตีเสมอ 7. อิสาความริษยาความหมายในตามพจนานุกรมไทยคือความหึงหวงความชิงชัง 8. มัจเทริยะความตระีนี้ 9. มายาความมีจิตคิดเลขกน 10. สาธยะความโอ้อวด 11. บัอรมภาความรั้นในทางที่ผิด 12. สาราัมภะ ความแข่งดีส3บสมานะความถือตัวสิบสอติมานะความดูหมิ่นท่านสิบห้ามัทะความมัวเมา 16. ประมาทะความละเลิกหรือละเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าขณะหนึ่งเกิดความโกรธแน่นอกขนาดหน้ามืดตามัวคิดอะไรไม่ออกเช่นนั้นจิตก็จะไม่เป็นสมถะแน่นอน เอาไปใช้พิจารณาความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพื่อความปล่อยวางไม่ได้เด็ดขาดต่อเมื่อมีสติเด่นขึ้นมามากกว่าโทสะคือระลึกได้ว่าอย่างนี้โกรธแล้วระงับลงได้แล้วเย็นลงแล้วไม่มีความเครียดตกค้างอยู่ในใจแล้วอาจเดินจงกรมกลับไปกลับมาจนกว่ากระแสสติจะเกิดขึ้นกลบกลืนโทสะ เช่นนี้ก็นับว่าเป็นสมถะได้เหมือนกันส่วนจะพร้อมเป็นวิปัสนาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาองค์ประกอบอื่นเช่นความผ่องใสความนิ่ม น, นวลอ่อนควรต่อ ง, งานเป็นต้นหลายคนมักสับสนว่าขั้นนี้ก็กำจัดกิเลสได้แล้วกระมังน่าจะเลิกสำแดงกิเลสใดๆให้เห็นอีกแล้วกระมังเพื่อความกระจา่าง ก็ควรทราบว่าเป้าประสงค์สูงสุดของงานสมถะนั้นก็เพียงการระงับอุปกิเลสหรือกิเลสห ย, ยาบๆที่จรมาชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อทางให้จิตพร้อมทำงานคือวิปัสสนาในขั้นต่อไปงานวิปัสสนา น, นั้นมีเป้าหมายสูงสุดคือทำลายล้างอนุสัยหรือกิเลสละเอียดที่แฝงตัวนอนเนื่องอยู่ในสันดานได้แก่หนึ่งการรัคะ ความกำหนัดในกาม2ปฏิฆะความหงุดหงิดสามทิฏฐิความเห็นผิดสวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยห้ามานะความถือตัว6ภวราคะความกำหนัดในภพเจอวิชชาความไม่รู้อริยสัจหมายเอาความไม่รู้ในระดับที่ทําให้จิตยังยึดมั่นถือมั่นในธรรม แมละเอียดประณีคือยึดแล้วไม่รู้ตัวว่ายึดอยู่เช่นสภาววจิตของผู้หมดความยินดีในภพอยากทั้งหลายแล้วแต่ยังเหลือเยื่อใ ย, ยอยู่กับความมีจิตหรือภพอันประเสริฐระดับไรรูปยังกลัวไม่มีจิตหรือยังกลัวต้องสูญเสียจิตไปเมื่อเข้าใจกระจ่างเกี่ยวกับเป้าหมายของสมถะว่ายังไม่ใช่ขั้นตอนถอดถอน กิเลสระดับอนุสัยก็จะได้เล็งเห็นด้วยว่านั่งสมาธิเดินจมกลมแล้วรู้สึกสงบสุขดีแล้วเหมือนไม่อยากไม่เอาแล้วความจริงยังมีกิเลสแฝงอยู่อีกชนิดหนึ่งซึ่งล้างกันไม่ได้ด้วยธรรมชนิดอื่นนอกเสียจากว่ามรรคผลอันเกิดแต่งานวิปัสสนาที่ถูกต้องและอีกในหนึ่งที่จะเป็นความเข้าใจอันดีต่อไป คือก่อนจะทำกิจที่เรียกว่าวิปัสสนานั้นต้องถอดถอนกิเลสยาบออกไป จ, จัดจิตใจเสียก่อนอย่างน้อยก็ชั่วขณะที่กำลังตั้งสติรู้กายใจโดยความเป็นไตรลักษณ์ขอให้ตรองดูตามจริงว่าอุปกิเลสนั้นมีต้นต่อมาจากความคิดทั้งสิ้นหากสงบความคิดได้ตัวเดียวสมุนเช่นอุปกิเลส16กก็พลอยหายวับไปด้วย เพราะฉะนั้นคงเห็นค่าของการบำเพ็ญให้เกิดความสงบขั้นต้นและขั้นกลางไปจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดถึงอัปนาสมาธิหรือปฐมฌานขึ้นไปเหมือนการตั้งหลักหรือว่าล้างไพ่ใหม่มาเริ่มระวังกันใหม่ไม่ให้กิเลสหยาบได้ช่องครอบงำจิตใจในอีกทางหนึ่ง หากเพิ่งเริ่มต้นภาวนาหรือยังไม่ประสบความสําเร็จทางสมาธิก็อาจใช้วิธีหักด้านพระด้วยเข่าไปพรางๆคือกิเลสหยาบตัวไหนผ่านมาก่อนก็ฆ่าตัวนั้นทิ้งก่อนจะด้วยอุบายพิจารณาเฉพาะหน้าใดๆก็สุดแล้วแต่ขอให้จิตหลุดเป็นอิสระจากกิเลสนั้นๆอย่างสบายใจเป็นใช้ได้กับทั้งบำรุงจิตด้วยกิจกรรมอันเป็นกุศลหรือมหากุศลทั้งหลาย ส่งเสริมให้จิตมีความผ่องใสนิ่มนวลตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแบบอ้อมๆได้ไม่แพ้การนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมหากนั่งสมาธิหรือเดินจงกร ม, ก ม, รกรมแล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกฟื้นใจเห็นเป็นภาระหนักก็ขอให้ทราบว่านั่นเพราะยังต้องต่อสู้อุปกิเลสจิตยังไม่สงบเย็นเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ ต้องหมั่นหักเหจิตออกจากวิถีกิเลสที่รู้แก่ใจเร่งทำทานรักษาศีลบำรุงจิตเหมือนเกษตรกรรดน้ำพลวนดินพื้นที่กับทากินของตนรวมทั้งเอาสติไปจ่ออุรยาบทให้มากขึ้นเรื่อยๆตั้งความคิดไว้ว่าอยู่นิ่งๆแล้วจะให้มีคุณภาพจิตระดับมาตรฐานเกิดขึ้นเองนนั้ เป็นอันเลิกหวังได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้ารู้ตัวว่าเป็นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่งอมืองอเท้าไม่ทำเหตุแห่งการดับทุกข์อย่างถูกต้องก็คงทุกต่อไปสถานเดียวความได้เปรียบของผู้เริ่มจงกรมด้วยสติพรักพร้อมคนที่มีสมาธิดีจากการเจริญอนาปานาสติจะพบตรงกันว่ามีความไวสัมผัสมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะมือและเท้า กระทบเข้าที่ไหนก็รู้ชัดเข้าไปตรงนั้นโดยไม่จำเป็นต้องกําหนดเป็นพิเศษอีกทั้งความปรากฏนั้นก็หัวถึงเท้าก็แจ่มชัดดีว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือคุณประโยชน์ของการทรงจิตตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ซัดสายกระโดดไปจับสิ่งนน้นสิ่งนี้เรื่อยเปืือยหากลองเดินในขณะที่มีสติชัดจะพบว่า ส่วนถูกรู้มากที่สุดในการเดินจงกรมได้แก่ฝ่าเท้ากระทบพื้นนั่นเองเนื่องจากฝ่าเท้าเป็นส่วนเดียวที่ก่ะผัดสะกระทบในอุรยาบทนี้และด้วยจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเราจะรู้สึกได้ถึงการแตะเท้าออกไปพอดีวางลงมารองรับน้ำหนักตัวเต็มฝ่าเท้าพอดีไม่ขาดไม่เกินไม่เกร็งไม่เป๊เดินไปสักพักหนึ่งหกใจจ่อไว้สบายๆกับเท้ากระทบอย่างเดียว ก็จะเกิดสัมผัสถนัดชัดราวกับเอาฝ่ามือมาเดินศูนย์กลางความรับรู้ไม่แกว่งไปไหนอื่นนอกจากเขตของฝ่าเท้ากระทบจะรู้ตัวและหัวชูชันทั่วแค่ไหนก็มีฝ่าเท้ากระทบเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอสรุปคือถ้ามีสติและสมาธิอันทรงคุณภาพจากอนาปานํมบัปมาก่อนการฝึกเดินจงกรมก็มาสรุป ที่ความรู้ชัดว่ากำลังเดินโดยมีเท้ากระทบเป็นศูนย์กลางรวมสติรู้ชัดไว้อย่างมั่นคงการใช้จงกลมเป็นฐานแรกในการเหนี่ยวนำสติหากมองดูจากมุมมองของผู้มีสติในอนาปานสติดังกล่าวข้างต้นทราบแล้วว่าผลคือการรู้ชัดว่ากำลังเดินโดยเท้ากระทบศูนย์กลางความรับรู้ก็อาจจะเริ่มภาวนาแบบย้อนสอน โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ฝึกอนาปานสติแล้วไม่สงบสักทีหรือผู้เคยฝึกอนาปานสติผ่านมาแล้วแต่กำลังอยู่ในช่วงถอยหลังก็อาจลองใช้จมกลมเป็นบันไดขั้นแรกหรือช่วยฟื้นฟูสติให้กลับมาอย่างรวดเร็วแล้วค่อยไปทําอนาปานสติดูใหม่เพราะอย่างที่กล่าวแล้วว่าอนาปานบับกับเอเริยปบับัป มีความใกล้ชิดแนบแน่นกันทำอย่างหนึ่งได้ก็มีความโน้มเอียงที่จะทำอีกอย่างหนึ่งได้ในทันทีปัญหาของผู้เริ่มจงกรมโดยไม่ผ่านอนาปานบับมาก่อนคือจะยังฟุ้งซ่านต้องเพ่งเล็งความกระทบที่ฝ่าเท้าทำให้เกิดความหนักอกหรือเกร็งไปทั้งตัวปราศจากความรู้ชัดอย่างเป็นธรรมชาติ อาจทำให้เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ในเวลาอันสั้นแต่หากตั้งมุมมองไว้ดีคือทำทีเหมือนจะเดินเล่นในสวนมากกว่าเดินอย่างเคร่งครัดเอาสงบทันทีทันใดให้ใจปลอดโปร่งและนึกชอบที่จะเดินก็จะพบว่าความเกร็งไม่ได้เกิดที่ไม่มีความกดดันขึ้นในอกจากนั้นเริ่มรู้เท้ากระทบเท่าที่รู้ได้ไม่ใช่เก่งไว้ว่า จะต้องรู้ทุกแปะไม่หลุดอุบายหนึ่งที่มักได้ผลดีกับผู้ภาวนาส่วนใหญ่คือให้รู้ความสะเทือนจากเท้ากระทบที่มีขึ้นมาถึงกลางอกตามจริงดูไปเรื่อยๆจะรู้เท้ากระทบชัดได้เหมือนมือสมมุติเสมือนว่าเราเอามือเดินต่างเทา้าการกระทบแม้แผ่วก็กระเทือนขึ้นมาถึงจิตทำให้จิตจับรู้ถึงจังหวะโดยรวมได้ชัด ซึ่งภายในเวลาไม่นานนักหากใส่ใจกับความรู้กระทบชัดโดยไม่เพ่งหนักเกินไปก็จะเริ่มเพลินกับสัมผัสจากฝาเท้าที่สลับกันอย่างสม่ำเสมอได้เมื่อถึงจุดหนึ่งจะเกิดความตั้งมั่นของจิตและรู้พร้อมทั่วกายไปเองทั้งนี้เพราะเท้าที่เป็นศูนย์รวมรับน้ำหนักทั้งหมดจะเกิดผัสสะกระทบที่สะเทือนขึ้นถึงอกตามจริง จุดอื่นของร่างกายมีกระแสประสาทเล่นเชื่อมกันจนพลอยรับรู้ในฐานะเป็นก้อนกายอันหนึ่งอันเดียวที่สำคัญคือต้องทำความเข้าใจไว้ว่าไม่ต้องเร่งร้อนเอาความรู้พร้อมทั่วกายในเวลาอันสั้นถ้าหาักจงใจรู้เข้าไปในส่วนต่างๆทีละจุดจะกลายเป็นส่งจิตกระโดดไปกระโดดมาจับเป้าจับแน่นแน่นอนไม่ถูกและเมื่อไร้เป้าที่แน่นอน ก็ไม่รวมลงนิ่งรู้เมื่อไม่นิ่งรู้ก็ไม่สงบระงับทั้งกายใจสติทั่วพร้อมก็ไม่มีพื้นยืนให้ตั้งอยู่ความรู้พร้อมต้องมาเองจากจิตที่ทรงอยู่ในศูนย์กลางกระทบอย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นถ้าหากคิดว่ากำลังเห็นกายทั่วพร้อมเช่นเห็นหัวหูไหล่ลำตัวก็ให้ถามตนเองว่าแล้วเท้าละ่ะยังอยู่หรือเปล่า หากแน่นตรงจุดนี้ก็จะพบว่าสติไม่คลาดจิตใจไม่กระเจิงไปไหนเพราะจะถูกตรึงไว้ในขอบเขตของผัสสะที่ฝ่าเท้าตลอดเมื่อสติไม่คลาดจากขอบเขตของเท้ากระทบก็จะพบว่าจิตไม่อยู่ในอาการฟุ้งซ่านเช่นเดียวกับผลของการตามรู้ลมหายใจอย่างถูกต้องในอนาปนาบัปและเปรียบเทียบได้ว่าสมาธิจิตขณะหลับตานิ่งกับสมาธิจิตขณะลืมตา เคลื่อนไหวแตกต่างกันอย่างไรส่งเสริมกันอย่างดีเพียงไหนเมื่อชานาญรู้ทางนั่งตามรู้ลมและเดินตามรู้เท้ากระทบก็จะพบว่าเราฝึกสติเหมือนกันต่างแต่รูปแบบภายนอกคือฝึกสติขณะนิ่งกับฝึกสติขณะเคลื่อนไหวเท่านั้นสำหรับข้อนี้ของการเดินจงกรมจะเหมาะกับผู้ที่เห็นว่าตนเองไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมไม่มีสติจากการฝึกอนาปานะบับอุดหนุนเพราะไม่ต้องการอะไรอื่นนอกจากการรู้เท่าเท้ากระทบพื้นซึ่งเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในแต่ละวันของทุกคนไม่จำเป็นต้องกำหนดขอบเขตเพื่อจมกลมโดยเฉพาะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยสติที่ได้จากสมาธิระดับใหญ่ขอแค่สติรู้ธรมธรมดาธรรมดา กับเจตนามั่นคงที่จะรู้เท้ากระทบเสมอเสมอเท่านั้นเองการย่างเท้าแตกต่างกันบางคนถนัดที่จะซอยทีอย่างรวดเร็วบางคนถนัดที่จะย่างช้าเนืบนาบอันนี้ก็ขอให้ดูความรู้สึกขอให้ดูความรู้เท้าชัดเป็นหลักจะเร็วหรือช้า ไม่สำคัญสำคัญที่หัวใจการเดินต้องไม่ลืมผัสสะเท้ากระทบการซอยเท้าเร็วนั้นมีประโยชน์อยู่คือถ้าจิตตั้งไว้พร้อมรู้ดีแล้วก็ขอให้สัมผัสที่เท้ากระทบทีทีเป็นตัวเรียกความรู้เรียกสติเราไปจ่ออยู่เองอย่างเป็นธรรมชาติ พระธรรมชาติของจิตนั้นจะเข้ารู้ผัสสะกระทบเป็นจุดๆเป็นครั้งๆ ค, คล้ายเอาปากกาไปแต้มจุดบนกระดาษทีหนึง่งรู้แบบเดียวกันหลายครั้งก็เหมือนกับแต้มจุดบนกระดาษหลายทีหากเรียงจุดต่างๆไว้ใกล้ชิดกันเท่าไรก็จะยิ่งเห็นเป็นเส้นตรงได้มากขึ้นเพียงนั้น ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในคนเดินจงกลมเร็วเกินไปก็คือสติไวไม่ทันเท้ากระทบเดินไปแล้วมีอาการก้าวเร็วแต่ไม่มีสติรู้เท้าอยู่เลยจิตนั้นเตลิดออกนอกกายเป็นความฟุ้งซ่านไปหมดยังผลให้การตั้งสติเป็นไปในแบบบังคับใจให้รู้เท้าหรือรู้อาการเดินซึ่งก็กลายเป็นสภาพรู้แบบแข็งทื่อ หรือกระทั่งกระด้างไม่มีน้ำมีนวลแล้วไม่เกิดปีติทำแล้วไม่เกิดความรู้ทั่วพร้อมเข้ามาในขอบเขตแห่งกายแต่อย่างใดในทางกลับกันปัญหาที่เกิดขึ้นของคนเดินจงกรมช้าเกินไปก็คือทำให้เกิดความเฉยชาหรือถ้าหากเพียรพยายามรู้ให้ต่อเนื่องก็จะเป็นการเพ่งเล็งเกินกำลัง จิตพยายามยึดกิริยาขยับของเท้าอย่างเหนียวแน่นเป็นการสั่งสมความโลภที่จะมีสติเท่าทันโดยไม่รู้ตัวขอให้สังเกตว่ายิ่งเราตั้งใจเพ่งดูอาการเคลื่อนช้าได้มากเพียงใดก็จะยิ่งพอกพูนความอยากเอาสงบอย่างไม่เป็นธรรมชาติไม่พ่องใสไม่เบิกบานไม่นิ่มนวลยิ่งขึ้นเพียงนั้น หากจิตสั่งสมนิสัยการภาวนาชนิดนี้จากการเดินจงกรมช้าเมื่อหันไปกำหนดกายเวทนาจิตทำส่วนใดก็จะเป็นการเพ่งเข้าไปอย่างไม่รู้สึกตัวเสมอยิ่งถ้าใครขยันมากผลที่เกิดขึ้นเป็นปกติเกือบทุกรายคือความเครียดสั่งสมซึ่งเกิดจากการเอาสติธรรมดาไปใช้งานต่อเนื่องหนักหน่วงเกินไป ยิ่งทำมากก็ยิ่งเครียดมากและก็เริ่มมีอาการทางประสาทแบบอ่อนๆเช่นเส้นกระตุกเป็นระยะทางออกที่ดีในเรื่องนี้ก็คือหันคือหัดเดินแบบปรับอัตราเร็วในการซอยเท้าตามจังหวะของสติไม่ใช่ตามจังหวะของความอยากหากรู้ตัวว่ากำลังสติยังอ่อนๆก็ควรย่างเท้าด้วยอัตราเร็ว ที่เป็นธรรมชาติพอดีกับสติขณะนั้นคือกระทบถี่พอจะเรียกความรู้สึกมาเจอที่เท้าเองและเมื่อเห็นว่าจิตมีกำลังสติพอสมควรก็อาจจะลดระดับลงมาเดินแบบทอดน่องเนบน้าตามอัตราเร็วที่เราใช้เดินเล่นชมสวนขอให้สังเกตว่าตอนเราเดินเล่นนอกทางจมกลมเราเดินจังหวะใดแล้ว เกิดความรู้สึกสบายสบายก็ให้จำจังหวะนั้นไว้สิ่งที่ต่างกัน ร, ระหว่างเดินเล่นกับเดินจงกรมคือสติรู้เท้าไม่ใช่ความเร็ว ประกอบปลีกย่อยในการรักษาความพร้อมรู้ก็มาดูส่วนอื่นของกายที่เกี่ยวข้องกับการเดินจงกรมเช่นแขนมือศีรษะและสายตาแม้อ ว, วัยวะเหล่านี้ไม่ได้มีส่วนช่วยเดินแต่มีผลโดยตรงต่อสติรู้จงกรมอย่างเช่นแขนและมือนั้นทดลองแกวงตามปกติหรือปล่อยตกข้างตัวไว้เฉยเฉยจะพบว่าปรุงจิต ไม่ให้ปักแน่วแน่อยู่ที่การรู้อิริยาบถโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นที่สติยังอ่อนจิตยังพยานอยากในเรื่องชวนฟุง้งซ่านต่างๆเราจึงควรเก็บมือไว้ให้นิ่งและไม่แกว่งเนื่องจากมือที่แกว่งหรือกระทบมักดึงความสนใจเราไปจากการเดินผู้ปฏิบัตินิยมเอามือไผ่หลังหรือไม่ก็เอามาซ้อนกันไว้ที่เหนือท้องน้อย แล้วแต่ความถนัดอย่างไรก็เก็บระยะของกายไม่ให้กวัดแกวงเกะ ก, กะรบกวนสติได้เหมือนกันสำหรับการกำหนดสายตาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจเลือกได้ตามอธัธยาศัยบางคนถนัดก้มหน้ากำหนดตาไว้ห่างไประยะหนึ่งซึ่งถ้าหากรักษาสติไว้ได้ดีก็นับว่าเหมาะ แต่ส่วนใหญ่เมื่อก้มหน้าแล้วจิตก็จะลงต่ำตามสายตาก็เป็นอาการครุ่นคิดอยู่ในทีสติจะคับแคบแบบคนไม่เปิดใจให้กว้างคอที่โน้ม น, น้อยน้อยก็อาจจะปวดหรือเกร็งก็เป็นอุปสรรคกับการทรงจิตตั้งมั่นรู้อย่างผ่องใสได้เหมือนกันถ้าหากเงยหน้าคอตั้งตรง ทอดตาตรงแต่ไม่เพ่งเล็งไปจับวัตถุเบื้องหน้าจิตก็จะเปิดกว้างกว่าก้มหน้าแต่ก็มีผลข้างเคียงเช่นสายตาจาปะกับสิ่งที่ล่อให้เบนความสนใจไปหาได้มากกว่ากม้มตรงนี้หากทรงสติมาดีจากส่วนของอนาปานบับปัญหาที่จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะจิตจะมีกำลังมากพอสำหรับการโฟกัสเพราะสิ่งที่ต้องการได้นานขึ้นถูกดึงความสนใจไปจับกับสิ่งอื่นยากขึ้นทางที่ดีคือสำรวจรู้ให้ทั่วว่าทั้งหัวทั้งคอทั้งหลังทั้งขาไม่มีส่วนใดเลยที่เกร็งทุกส่วนผ่อนคลายหมดส่วนไหนเริ่มเกร็งขึ้นมาก็รู้ที่ตรงนั้นแล้วก็อาศัยความรู้อย่างนิ่มนวล น, นั่นเอง เป็นตัวคลายความเครียดจะพบเองว่าวางลักษณะการเดินไว้อย่างไรจึงถูกส่วนที่สุดเท้าซึ่งมีส่วนสำคัญสูงสุดก็เช่นกันเราควรรู้เท้ากระทบเป็นหลักขณะเดียวกันก็ต้องสังเกตด้วยว่าเท้ามีความเกรงหรือเปล่าถ้าหากว่าเดินทั้งเท้าเกร็งก็จะพบว่าใจเราปล่อยรู้สึกแข็งๆตามไปด้วยตรงกันข้ามถ้าเท้าอ่อนยุน ยิ่งเดินก็จะยิ่งมีความรู้สึกภายในที่นิ่มนวลกลับทั้งเห็นว่าฝ่าเท้าเป็นเครื่องส่งผัสสะที่ชัดเจนเป็นธรรมชาติยิ่งยิ่งขึ้นการหมุนตัวกลับขณะกำลังหันหลังหันกลับเป็นจุดที่เกิดปัญหาได้มากที่สุดจุดหนึ่งในการเดินจงกรมรอบผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ไม่ให้ความสาคัญกับการนี้นะัก ล่เลยกันง่ายๆเพียงด้วยความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่น่าสนใจนักหรือไม่เห็นจะมีอะไรให้ดูเหมือนอย่างตอนเกิดภัสะเท้ากระทบแปะแปะระหว่างเดืนข้อเท็จจริงก็คือเมื่อเราไม่สนใจไม่ใส่ใจเท้าปล่อยให้จิตล่องลอยไปแม้เพียงเล็กน้อยขณะกลับตัวนั้นการเดินจงกลมทั้งหมดอาจล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากจิตสบโอกาสได้ช่องเหมอลอยตามความเคยชินเดิมรังแรกยังไม่เท่าไรแต่นานไปบ่อยเข้าก็กลายเป็นความเคยชินที่จะปล่อยจิตปล่อยใจแม้กระทั่งผู้ที่มีสติดีแล้วก็ไม่เว้นฉะนั้นแทนที่เราจะเห็นจังหวะกลับตัวเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตั้งมุมมองไว้สใหม่ว่าเป็นจุดสาคัญชนิดคอขาดบาตายละเลยไม่ได้ ปล่อยให้ใจหลงมักง่ายตามกิเลสบอกไม่ได้และเพื่อให้เป็นเช่นนั้นก็อาจต้องตั้งจิตคำนึงว่าเราจะรู้กายโดยความเป็นอิริยาบถยืนกล่าวคือควรหยุดและรู้อาการยืนซักชั่วอึดใจเป็นการหยุดตั้งสติ เบื้องแรกอาจจะกำหนดรู้เฉพาะฝ่าเท้าเป็นสำคัญต่อเมื่อสติพร้อมรู้มากขึ้นจิตก็จะรู้ตัวทั่วจากหัวจรดไปเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องฝืนกำหนดเพราะการรู้ผัสสะที่ฝ่าเท้าก็คือการรู้จุดรวมน้ำหนักทั้งหมดของกายในเรียบบทยืนนั่นเองสำหรับการรู้เท้านั้นควรทำไว้ในใจว่าเราจะรู้เท้าที่หยุดเสมอกัน ด้วยความชัดเจนไม่แตกต่างกับการรู้เท้าขณะเดินเรื่องการหยุดเท้าไว้เสมอกันก็นับเป็นเรื่องไม่ควรมองข้ามถ้าหักเหลื่อมกันข้างหนึ่งตรงอีกข้างหนึ่งเป๋จะมีผลสติเป็นอันมากกล่าวคือแทนที่จะรู้เท้าในลักษณะสมดุลอันปรุงจิตให้สมดุลตามก็จะกลายเป็นผู้รู้ครึ่งๆกลางกลางปาสจากดุล ขนาด ก, กลับตัวถ้ากลับทีละครึ่งครึ่งรอบก็น่าจะเรียกความรู้เท้าชัดกับว่ากาหนดหมุนทีเดียวกลับหลังหันหมดการหมุนทีละครึ่งรอบจะทำให้เท้าได้จังหวะวางเหยียบอย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่ทำให้รู้สึกหัวหมุนเมื่อกล่าวถึงการกลับตัวก็ต้องมีความสัมพันธ์กับความยาวของทางจงกรมหลายคนขาดเรื่องสถานที่ บางทีก็อ้างว่าไม่สามารถเดินจงกรมเนื่องจากพื้นที่จํากัดห้องนอนหรือว่าระเบียงบ้านยาวเพียงไม่กี่ก้าวอันนี้ก็คือความจริงแล้วเราก็สามารถชนะข้อจํากัดได้ด้วยการปรับอัตราเร็วให้ช้าลงและลดระยะทางระหว่างก้าวให้น้อยลงเนื่องจากสิ่งสำคัญที่เราต้องการจากการเดินจงกรมคือสติรู้เท้ากระทบ เพื่อเป็นตัวอย่างนำไปรู้สติรู้อิรยาบด์เดินการเน้นเรื่องความยาวของทางให้ได้เดินมากก้าวจึงควรพิจารณาเป็นเรื่องๆหรือว่าเป็นเรื่องรองสรุปหลักการเดินจงกรมควรจำให้ขึ้นใจว่าหลักการง่ายๆของจิตเดินจงกรมนั้นก็คือฝึกแล้วทำให้รู้ชัดว่า กำลังเดินได้ดังพุทธประสงค์ขอให้หลักจำหลักง่ายๆแบบลัดๆเพียงสองข้อดังนี้หนึ่งเดินให้เป็นธรรมชาติเพราะเราต้องการความรู้ตัวจากการเดินจมกรมออกมาใช้ในชีวิตประจำวันถ้าหากออกจากทางเดินจมกรมแล้วลืมความรู้สึกตัวหมดอย่างนั้นถือว่าใช้ไม่ได้ แต่ถ้าออกจากทางจงกรมจงกรมเหมือนจะรู้เท้ากระทบเองในเวลาเดินปกติก็อย่างนั้นถือว่าการเดินจงกรมของเราประสบความสําเร็จและควรทําให้มากเข้าไว้ข้อสองทางลัดที่จะทําให้รู้ตัวทั่วพร้อมในความเป็นอิริยาบถเดินอย่างง่ายๆก็คือรู้เท้ากระทบรู้ความสะเทือนจากกระทบ ที่มีขึ้นมาถึงอกเฝ้าดูอยู่แค่กระทบที่กระเทือนขึ้นมาก็จะรู้ว่าควรเจอใจไว้ตรงไหนการนอนอย่างมีสติ การนอนเป็นอิริยาบถ ท, ที่แปลกไปกว่าอิริยาบถอื่นกลับทั้งมีผลกระทบกับสติสัมปชัญญะแตกต่างจากอิริยาบถอื่นด้วยกล่าวคือเมื่ออยู่ในอาการเอนนอนสติมักจะหายไปอย่างรวดเร็วและก็เกิดความเมื่อลอยฟุ้งซ่านได้ง่ายกว่าท่าทางอื่นๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญพอควรที่น่าจะมีสติเป็นพื้น เป็นของอุดหนุนไว้ล่วงหน้าจะมาจากการฝึกตามรู้ลมหายใจหรือการตามรู้อิรยิยาบถเดินยืนและนั่งก็ตามและแน่นอนว่าถ้าหลับลงไปเสียแล้วก็คงไม่มีทางกำหนดสติรู้อิริยาบถนอนได้ฉะนั้นว่าตามเนื้อหาของการฝึกก็คือให้รู้ตัวขณะเอนพัก หรือไม่ขณะทอดกายนอนในจังหวะก่อนหน้าก้าวลงสู่ความหลับไหล